ทีอ า, อารมณ์ของสมถานะถ้าใส่ใจนะถ้าไม่แยกทายมันใกล้ต่อความหลับใกล้ต่อทีน้มิทะใกล้มากต่อทีน้มิทะตัดอุทจจ์เจริญพนใกล้ต่ออารมณ์วิปัสสนาใกล้ต่ออุทจจ์นั้นคนที่สามารถเลือกความคิดได้เขาเข้าใจในเรื่องอารมณ์เป็นอย่างดีเขาสามารถเลือกคิดได้คนนั้นเรียกว่ารู้จักปรับอินทรีย์ รู้จัปรับอินทรีย์ช่วงนี้สัตถา ม, มากไปเพราะปารภตัวสมถานนี้ก็ไปปารภนิพพานเป็นต้นนะหรือว่าใจความโ พ, พชงค่าบัพพระโพชงค่าบัพพระเนี่ยท่านท่านต้องท่านบอกวิธีปรับปรับอินทรีย์ปรับอินทรีย์ก็คือปรับปรับอารมณ์ถ้ารู้แบบนี้จิตเป็นแบบนี้ถ้ารู้แบบนี้จิตเป็นแบบนี้เอานี้นะโยมถ้าหากว่าอยากให้มันหนาวเย็นเลยเข้าไปในห้องแอร์แล้วเร่งให้มันเย็นถึงกันหนาวเลยก็ได้ ถ้าอยากร้อนเดยไปตากแดดทักพักใช่ไหมมันก็อยู่ที่อุตุเลยใช่ไหม ถ, ถ้าหากว่าเราอยากให้ร่างกายเราเย็นเราร้อนสภาพจิตเราจะเหมือนกันเลยถ้าเราอยากให้จิตเราร่าเริงยากไหม ย, ยากไหมเราไปคิดเรื่องอะไรที่เราชอบที่สุดแล้วจิตจะร่าเริงแต่ถ้าอยากให้จิตเราซึมที่สุดไงเรื่องอะไรที่เราไม่ค่อยชอบเลยอะ่ะ และคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆเดี๋ยวก็เสริมไปไงนะี่จริงๆนน ค, ค, คือคือจากการสังเกต น, น, นะนะคือคื อ, อท่านใช้คำตรงๆเหล่านี้ก็ก็ไม่ไม่เชิงคือคือจากสังเกตว่าถ้าหากว่าสมาธินิมิตถ้าใสา่ใจไม่ดีเนี่ยมันเป็นในฝักฝ่ายแห่งโกสัจฉยความเกลียดคร้าน่ะความเกลียดคร้านอ่นั้นก็คือทีนามิทั้นั่นเองนั่นแหละ ต่อไปอีกนะว่าแม้แต่อารมณ์นั้นที่เราตา ร, รบนั้นเป็นได้ทั้งสามการนะการที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันให้เรารู้ว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อสภาพจิตมากจิตนั้นทั้งที่เป็นมหากุศลก็าตามาสมมติถ้าจิตนี้เป็นมหากุศลมหากุศลนั้นมีรูปเป็นอารมณ์รูปารมณ์ รูปารมณ์ น, นี้เนี่ยจับเอานี้เป็นกุศลกุศลนี้จะโสมมันะหรือจะอุเบกขานี่อยู่ที่อารมณ์นะเหตุอย่างหนึ่งจริงๆอยู่ที่อารมณ์จะไหมสมมุติถหาว่าคนจะให้ทานของที่จะให้ทานนี่เป็นของที่ตัวเองเนี่ยคิดว่าหยาบเจ้าของเนี่ยนะคิดว่าของอันนั้นนี่หยาบมากเลยแต่ต้องการจะให้ ถามว่าเขาจะสมนัติไหมยิหมออกไหมไม่สมนัตแต่ก็ให้นะใชไ ม, ไม่สมนัตแต่ถ้าของอันนั้นตัวเองเนี่ยคิดว่าประณีดมากที่สุดเลยอ่ะเป็นของชั้นหนึ่งเลยเนี่ยแล้วให้ทานอด้วยศรัทธาเป็นต้นอารมณ์นี้มีอิทธิพลต่อสภาพจิตในขณะนั้นนั้นมากนั่นแหล ะ, และคนที่เขาสามารถจัดอารมณ์ได้สมมุติว่ า, พ ว, า พ, พ, นนะพวกภาพยนตร์นะพวกภาพยนตร์ทั้งหลายแหละเนี่ยเขา เน้นมาที่อารมณปัจจัยพวกละครเขาเน้นที่ที่อะไรที่อารมณปัจจัยคือสัทธารมพวกทีวีเนี่ยเน้นไปที่รูปารมอ่าแล้วก็ควบคู่กับสัทธารมด้วยนั่นะแหละเพราะว่ารายการเหล่านั้นก็คือเน้นไปที่อารมณ์ท่านเน้นไปที่อารมณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนจะคิดอย่างนี้ถ้าใช้คําแบบนี้ปุ๊บคนจะคิดอย่างนี้นั่นะแหละแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ ใช้อารมณ์เหมือนกันใช้เสียงอารมณ์เนี่ยก็คือสิ่งที่จิตรู้ใช่ไหมพระองค์เนี่ยใช้อารมณ์คือศรัทธารมณ์ของพระองค์เนี่ยเรียกว่าวาจีที่พระองค์พูดออกไปปุ๊บคนเนี่ยเข้าใจอารมณ์มันเนี่ยกื้อกูนต่อจิตที่เป็นกุศลแล้วกุศลล้จิตอันนั้นเนี่ยกลื้อกลูนต่อการเจริญกุศลของคนนั้นต่อไปข้างหน้าอกีกอย่างเช่นในเบื้องต้นพระองค์ทรงแสดงเรื่องทานกุศลเรื่องของการให้คําพูดที่กล่าวเรื่องทานจิตของคนที่รับเรื่องทานปั๊บเป็นจิตที่ จะให้จะเสียสละถ้ายิ่งรู้วันิี้สงของการให้มันร่าเริงที่จะให้ไหมขอรู้ร่าเริงก็ยิมยิ้มย่องทีนี้พอพระองค์ก็พูดเรื่องศีลปั๊บเนี่ยศีล น, นี่มีอ น, นิสงส์อย่างนั้นอย่างนี้พอคนฟังตามก็กุศลจิตก็จะเกิดขึ้นพิจารณาถึงอ น, นิสงส์ของศีลไอทานที่ไอกุศลจิตเกิดก่อนๆนั่นแหละอาศัยเสียงเนะี่ยทำให้กุศลทานเกิดต่อไปทําให้เกิดกุศลศีลและไอกุศลศีลเดี๋ยวไปพระองค์ก็ใช้เสียงของพระองค์เนี่ยพูดไปเรื่อยกุศลสมาธิเขาก็เกิด พอพระองพูดพรงก็พูดวิปัสนาต่อไปกุศลจิตของคนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของวิปัสนาเป็นเรื่องของปัญญาฟังจบปับ๊บแทงตลอดระยะสัตว์สีพอดีเลยแต่จิตไปตามธรรมก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้นะดังนั้นคนที่เจริญพวกพุทธคุณนี่ก็คือส่งความคิดไปตามคุณของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่เราเน้นมาที่สติใช่ั้มก็คือส่งความคิดไปตามคําสอนของพระ อ, องค์เรียกว่าเจริญ ผู้ฐานุสติสัมพันธ์กับอารมณ์ดงนั้นอารมณ์ในโลกนี้เนี่ยมีมากมายมหาศาลถ้าเราจะเข้าไปรับรู้น ะ, ะเฉพาะอารมณ์ที่เป็นหนังสือเนี่ยยอมทําดวงตาใหม่สักสามลูกก็ยังอ่านไม่จบเลยห น, ะนังสือในโลกเนี้ยเ<ะ>ข้าเข้าไปเถอะดวงกมลน่นะ <laughs> โอ้หนังสืออะไรเยอะขนาดนะ่ะอ่านไม่ไหวไม่ไหวนะแค่พลิกพกดูเฉยเฉยเนี่ยเกือบปีแล้วมั้งหนังสือมันเยอะนะโดยเฉพาะอยู่กับหนังสือถ้าอ่านทุกคำเนียย่ยไม่ต้องทําอะไรแล้ว แล้วสีสันในโลกนี้ถ้าเราดูให้ทั่วถึงเนี่ยดูไหวไหมไม่ไหวเราะเสียงในโลกนี้ถ้าให้ทุกคนมาพูดทีละคำทีละคำให้เราได้ยินหนึ่งคนต่อหนึ่งคำเนี่ยรับรู้ไม่ไหวอเหมือนกันมันอารมณ์มันวิจิตมากมายมหาศาลแต่ถ้าผู้มีพระภาคเนี่ยสามารถสรุปประมวลออกมาได้ว่าสิ่งนี้คืออารมณ์เท่านั้นมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราจริงๆในแค่อารมมณปัจจัยถ้าเราไปรับรู้สิ่งนั้น ถ้าไม่รับรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจะไม่เป็นอารามณปัจจัยให้แกเราเลยใช่ไหมสมมติถ้าหากว่าต้นโพนี่มีอยู่ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราไม่สนใจนะต้นโพไม่เป็นอารามณปัจจัยให้เราก็อยู่ห้องเราแต่ต้นโพเนี่ถือว่ามีอุปนิสัยปัจจัยเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เรามานั่งได้อาจจะปารพบรรษพระศรีมหาโพปารพุทธคุณอะไรเงี้ยนะก<ๆ>็ทําให้อ่าเป็นปัจตูปัณิสยปัจจัยให้เราได้เช่นเพราะต้นโพนี่อยู่ด้านนอกทําให้ อากาศมันเย็นลมเย็นก็โชยเข้ามาข้างในทําให้เรานั่งฟังธรรมเพลินกันหรือว่าง่วงก็เพลินอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นลักษณะนี้ก็เป็นปกตูปะนิสยาปัจจัยให้การฟังธรรมของเราหรือทําให้เราและแต่คิดเอาอ่ะคิดให้มันง่วงมันก็ง่วงอะเนาะนนที่จริงแล้วถ้าเราเข้าใจเรื่องอา ร, รมณ์ปัจจัยนะเราเข้าไปที่ไหนก็ตามนะสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตจริงๆของเราเลยก็คืออารมณ์เท่านั้น เนี่ยนะสมมุตินะตัวอารมณ์สมอมหน้าของธรรมานะยมจะเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยหน้าธรรมาไม่เคยสนใจเลยว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นใช่ไหมใครจะรับรู้หรือไม่รับรู้ตัวรูปารมณ์เนี่ยไม่เคยสนใจเลยแต่ถ้าจิตเนี่ยเข้าไปมนัสิการเพื่อที่จะรับรู้สิ่งนั้นก็จะเป็นอารมณ์ก็เหมือนกับแก้วน้ําเนี่ยก็อยู่อย่างนี้ตั้งนานถ้าไม่สนใจก็ถ้าไม่ปาราบโดยความเป็นอา ร, รมมณะปัจจัยก็ไม่ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจิตรเราเลยใช่ไหมอิพังค่าของเข้าไปอย่างนั้นเองของการเจริญนิพพานานั้นนานคำพีอภิธรรมัสสังคหะปริเฉทเก้าท่านเน้นมาที่ลัคณาที่จตุกะของอารมณ์นั้นๆโดยไม่ได้เน้นไปที่อุป า, าทิีติพังฆ่าอะไรเลยแต่เน้นไปที่ลัคนาที่จตุกะของแต่ละอารมณ์เช่น ลักษณะที่จตุกาของรูปารมลักษณะที่จตุกะของสีสีมีอะไรเป็นลักษณะใช่ไหปรากฏทางตาเป็นลักษณะถ้าภาพใดที่ไม่เคยปรากฏทางตามาก่อนเราจะคิดภาพนั้นไม่ถูกเลยเพราะสีนั้นอ่ะมีการปรากฏทางตาเป็นลักษณะดอยอินทนนท์นนเนี่ยที่คิดไว้กับที่ไปดูคนละเรื่องกันเวลาเขาพูดกับเราคิดตามที่เขาพูดนะไม่เหมือนสักอย่าง นั่นแหละพ่อไปเห็นกบลังาอะไรไว้เพราะฉะนั้นถ้ามันยังปรากฏทางตาเนี่ยเป็นอย่างเป็นลักษณะแล้วรูปารมณ์นั้นมีอาการปรากฏยังไงกิจ ข, ของเขาคื อ, อโดยลักษณะราศะและปัจจุปฐานะเนี่ยนะจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละแล้วประทับฐานของรูปารมณ์คืออะไรมหาภูตรูปสี่ มหาภูตรูปสี่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดรูปารม์มหาภูตรูปสี่ น, นั้นมีสมุทฐานเท่าไหร่มหาภูตรูปสีมีสมุทฐานสี่เมื่อมหาภูตรูปสีมีสมุทฐานสี่รูปารมณ์ก็แตกต่างกันไปตามอำนาจของมหาภูตรูปนั่นคือปัจจัยของสีพระองค์เนี่ยสอนนิยะแห่งลักษณะของอารมณ์พร้อมทั้งปัจจัยของอารมณ์ มากกว่าที่ไปบอกว่าอารมณ์นั้นเป็นอุบาสกาทีตังคะในยะนี้นั่นแหละสอนไปที่ลัคนาที่จตุกะเสร็จแล้วเมื่อรู้จักรู้แจ้งในลัคนาที่จตุกะจะรู้สิ่งนั้นโดยสามั ญ, ญลักษณะสามั ญ, ญลักษณะของอารมณ์นั้นก็คือสิ่งใดก็ตามเมื่อประชุมด้วยปัจจัยเพราะปัจจัยมีนะสมมติว่าสีเนี่ยเพราะามหาภูตรูปมีสีจึงมี ถ้ามหาภูตรูปแปลไปสีก็แปลไปด้วยถามว่าจากไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปลักษณะอันนี้เป็นสามัญลักษณะเรียกว่าอ น, นิจจาลักษณะคือลักษณะที่ไม่มีแล้วมีขึ้นที่มีขึ้นแล้วก็หมดไปนี้เรียกว่าอ น, นิจจาลักษณะลักษณะที่มันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็น ทุกลักษณะลักษณะที่เป็นไปตามปัจจัยโดยไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้รับไม่มีผู้สเสวยเลยเป็นอนัตตลักษณะใช่ไหมเช่นไปวิเคราะห์ในเรื่องนั้นจึงไม่ใช่วิธีเดียวนั่นแหละวิธีจิตที่ไปเจริญอ บ, บรมเนี่ยไม่ใช่วิธีเดียวเช่นเช่นเราจะเจริญเมตตาให้มันได้ฌานเนี่ยถามว่าวิธีเดียวไหมในการอ บ, บรมเจริญเมตตา้ขาเห็นหน้าโยอมปึ๊บโอ้คอยมีความสุขนะโอ้ได้ฌานเลยพุทธทันทีเลย กว่าจะเป็นฌานออกบาเนี่ยมันอ บ, บรมเท่าไหร่คิดในแนวความคิดแบบนี้มากมายมหาศาลพระเจ้าบอกว่าจะยืนจะเดินจะนัง่งจะนอนเวน้นไว้แต่หลับก็พึงมีเมตตาอย่างนั้นแหละจนกว่าจะได้ฌานอ่ะอ บ, บรมอย่างนี้กว่าจะได้ฌานเนี่ยใช้วันใช้อกี่วันกี่เดือ น, ก, อนกี่ปีกว่าฌานาจิตจะเกิดขึ้นชั้นในการพิจรารณาอารมณ์ลักษณะนี้ก็เหมือนกันอ บ, บรมความรู้ตัวนี้มากขึ้นเขาเรียกว่าอ บ, บรมจเจริญ พ่อชงหรืออบรมเจริญสติปัฏฐานพ่อชงกับสติปัฏฐานต่างกันไหมสตินะถ้าพูดโดยสติปัฏฐานเรียกสติปัฏฐานถ้าพูดด้วยองค์แห่งคุณเป็นเครื่องตรัสรู้เรียกว่าพ่อชงก็องค์ทำได้แก่อันเดียวกันนั่นแหละตัวสตินั่นแหละเช่นรูปารมณ์เป็นขันเป็นได้กี่ขันรูปประขัน ถ้ารูปารมเป็นธาตุเป็นได้กี่ธาตุธาตุเดียวรูปธาตุถ้ารูปาอสีอันนี้เนี่ยถ้าเป็นอายตนะเป็นได้อายตนะเดียวคือรูปายตนะอายตนะเหล่านั้นเนี่ยมีลักคณะที่จะถูกะที่ยังก็อัานเดียวกันนั่นแหละคือแม้แต่ขันก็ต้องพิจารณาโดยลักคณะที่จะถูกะจึงจะเป็นการอบรมเจริญทิฏฐิวิสุทธิเนะี่ยถ้าในสัมวนท่านใช้คาว่า ทิฏฐิวิสุทธิถ้าในในอภิธรรมมัทสังขะท่านใช้คำว่าทิฏฐิวิสุทธิหรือในวิสุทธิมัทท่านก็ใช้คําว่าทิฏฐิวิสุทธิท่านขับเน้นไปที่การพิจารณาโดยลักษณะที่จตุกะไม่ได้ขับเน้นไปที่ลักษณะการแยกรูปแยกนามแยกว่าอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามแต่แยกว่ารูปมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมดูการพิสูจน์ทั้งหลายที่ชื่อว่ารูปรูปด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลจึงชื่อว่ารูปพิสูรูปหนึ่งไปถาม พวงศ์ก็บอกว่าเพราะความที่รูปนั้นประกอบไปด้วยการเสื่อมสิ้นสลายไปเพราะวิโรที่ปัจจัยคือความเย็นบ้างความร้อนบ้างอะไรอีกเหลือบยุงลมแดบดบและสัมผัสจากสัตว์ื้อยคลานทั้งหลายนั่นแหละเพราะความหิวความกระหายชื่อว่ารูปเพราะเสื่อมสิ้นสลายไปด้วยปัจจัยเหล่านี้แลด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่ารูปแต่ที่เชื่อว่า เวทนาอย่างเงี้ยด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่จรึงชื่อว่าเวทนาเราก็ค่อยๆศึกษาไปค่อยๆวิเคราะห์เรียนรู้ธรรมชาติของธรรมะเหล่านี้ขึ้นก็จะทําให้เราเข้าใจว่าในอารัมมณปัจจัยนั้นถ้าเรามีปัญญาเข้าใจอารัมมณขนาดไหนก็ตามนั่นแหละเป็นตัวปัญญาที่เข้าไปเรียนรู้อารัมมณปัจจัยปัญญาตัวนี้มาเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียนรู้สภาวะธรรมอันนี้เรียนรู้อารมณ์อันนี้แล้วแต่ปัญญาตัวนี้จะเห็นอารมณ์มากขนาดไหนเห็นตัวอารมณ์พร้อมทั้งปัจจัยได้มากขนาดไหนเห็นหรือว่ามีปัญญาอีกตัวหนึง่งมาเรียนรู้อารมณ์นี้นะปัญญาเรียนรู้ปัญญาก็ได้ถ้าปัญญาไม่เรียนรู้ปัญญาจะไม่รู้ว่าปัญญานี้เกิดด้วยเหตุเท่าไหร่ ปัญญาตัวดด้วยเห็ุเท่าไรหนึ่งอันหนะึ่งเขบอกว่าเว้นบุคคลผู้มีปัญญาสามสองคบคนมีปัญญาสามสอบถามในญาณจริยานึกซึ่งสอบถามในเรื่องธ า, าตนะุทันนัยตันนัสัจใจอินทรีย์ปฏิจจะคุณต้นแล้วก็การทําวัตถุให้สะอาดการปรับอินทรีย์นั่นแหละแล้วก็การทําวัตถุให้สะอาดการปรับอินทรีย์ไรอีก ก็คือการน้อมจิตไปในปัญญานั้นให้มากๆอันนี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยแห่งปัญญานั่นแหละวั้นปัญญายังเกิดด้วยปัจจัยถ้าเราไม่กําหนดรู้ปัญญามากๆเราจะไม่รู้ว่าเหตุให้เกิดปัญญามีเท่าไหร่เกิดรวมกันนั้นเนี่ยเขาต่างคนก็ต่างสนับสนุนกันะ่ะเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่างว่าเป็นเหตุมาปัจจัยเนี่ยสอบไปสาบกันมาอย่างเงี้ยมันคล้ายๆช่วยกันอะ เรียกว่าอันย่ามันยปัจจัยอ่ะอจิต ด, ดวงที่มันเกิดก่อนสมานันตละก่อนนั่นแหละเพิ่มอุปสรรคมาแค่คําเดียวต่างกันแค่ชื่อหรือด้วยอุปนิสัยของบุคคลผู้ฟังนักกะะ่นหมืุนเลยทําไม่หมตัวไหนเป็นอนันตละนะถ้าาเราเก็บกุศลจิตเนี่ยนะก่อนเกิดกุศลจิตตัวานั้นเนี่ยเป็นอนันตละแล้วมันก็เป็นสมาันตละอยู่แล้วใช่ไหม สมมตานนี้ปัญญาดวงที่หนึ่งนะอันนี้ปัญญาดวงที่สองปัญญาดวงแรกต้องดับไปก่อนปัญญาดวงที่สองจึงจะเกิดขึ้นได้ปัญญาที่ดับไปเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ปัญญาที่กำลังเกิดขึ้นด้วยหนึ่งอนันตระปัจจัยสองสมนันตระปัจจัยสามนัตถิปัจจัยสี่วิคตาปัจจัยห้าอาเสวนปัจจัยนั่นแหละ ไดอะไรอีกมีอีกไหมอานันตรูปนิสยปัจจัยด้วยถือว่าอุปนิสัยปัจจัยด้วยนะคือเป็นปันจจัยที่มีความสําคัญมากเป็นเรียกว่าถ้าหากว่าจิตดวงก่อนไม่ดับไปก่อนนไอ้ดวงนี้เกิดไม่ได้นั่นแหละสําคัญมากาแต่จําเป็นต้องออกหมดวาระหมดวาระต้องออกแต่เรื่ของสามที่มีมีแล้วไหมครับเจออะไรครับ เจอครับปัททะอีก็ได้ครับไม่ใช่ปัจจัย <Yeah. S 3> อรมณ์ปัจจัยนั้น <c oughs> จะเราจะได้ดีจะตกยากก็อรมณ์ปัจจัยถ้าหากว่าเรายินดีในอารมณ์นั้นสภาพจิตเราเป็นโลภถ้าไปยินร้ายในอารมณ์ันั้นเป็นโทสะถ้าไม่รู้อารมณ์ันั้นตามความเป็นจริงเป็น mm hmm. โมหะทรานพระองค์จึงสอนให้เจริญ ปริญญาสมนั่นแหละจรียนสัมปัญญาสี่เพื่อให้รู้อารมณ์นั้นๆให้จริงแท้ว่าฐานะที่เป็นจริงของอารมณ์นั้นนะคืออะไรคือเขาเป็นรูปอารมณ์ใช่ไหมถ้าเป็นสีเขาก็คือรูปารมณ์รูปารมณ์เนี่ยปัจจัยของรูปารมณ์มีกี่อย่างสี่อย่างสี่อย่างนี้อะไรบ้างเอาปัจจัยนะเมื่อกี้บอกปัจจัยนะปัจจัยสี่อย่างหนึ่ง 2รูปารมณ์นั้นถ้าโดยสหาชาติชาติเป็นอะไรโดยสหาชาติชาตินั้นปัจจัยของรูปารมณ์ก็คือมหาปูต ร, รูปสี่มหาภูต ร, รูปสี่เป็นปัจจัยแก่รูปารม์ด้วยอำนาจสหาชาติปัจจัยหนึ่งสองสหาชาตินิสยปัจจัยหนึ่งสสหาชาติทิปหนึ่งแล้วก็สุดท้าย สหาชาตะอวิคตะคือบ่งถึงความเป็นปัจจุบันนั้นว่ามหาภูตรูปเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากต่อรูปารมณ์นั้นนั่นแหละนี่เรียกว่าโดยสหาชาตาชาติแต่ถ้าโดยโดยสหาชาติชาติแบบรูปเป็นปัจจัยแก่รูปถ้าโดยรูปนามเป็นปัจจัยแก่รูปจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อต่อรูปารมณ์นั้น เจตสิกก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อรูปารมณ์ น, นั้นเ้าเรียกว่านามเป็นปัจจัยแก่รูปนั่นแหละ น, นี่โดยสหาชาติชาติแต่ถ้าในวัตถุอันเดียวสิ่งเดียวเนี่ยแล้วแต่เราพิจารณาพิจารณาเป็นชาติชาติเลยก็ได้เช่นรูปอันนั้นโดยนานักขักกตทิฏฐิธรมชาติถือว่ามีกรรมเป็นปัจจัยถ้าโดยอาหารชาติ คเครียว่ามีรูปอาหารเป็นปัจจัยถ้าโดยปกตูปานิสยาชาถือว่ามีอุตุเป็นปัจจัยแต่ว่าแต่โดยโดยลักษณะของอประปตูปานิสยาชาแบบส ต, ตันตาในนั้นอุตุนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อรูปเหมือนกันนั่นแนนาหละจนบาจ้างทำนี่นแก้ยาก แก้ด้วยประโยค่าไงประโยค่าสมบัติเรียกว่าถึงพร้อมด้วยความพยายามอย่างถูกช่องทางในเรื่องนั้นนั้นก็สามารถที่จะเบียดกรตำบางอย่างไม่ให้ให้ผลถามว่าเรายินดีที่จะรับตำไหมยินดีแน่นยะคือถ้ารับแล้วเนี่ยทําไงได้อะแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ไม่ควรที่จะให้อกุศลมบาตให้ผลก็ต้องมีประโยค่าเพียรพยายามที่หาช่องให้พ้นจาก อคุสนิบาศให้เต็มที่แต่ถ้ามันมีกําลังจริงๆนะพระองค์บอกว่าไปอยู่บนท้องฟ้าก็ไม่พ้นอ่ะอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พ้นจากอาคุศลกรรมถึงจะอยู่ในถ้าในรูในภูเขาก็ไม่พ้นจากอากคุศลกรรมแต่ถ้ากรรมโดยธรรมดาทั่วไปถ้ามีประโยค่าสมบัติกำบางอย่างไม่ให้ผลทุกทุกคนเนี่ยนะมีเคยเดียดเบียนศัพท์มาไหมเชยเฉพาะชาตินี้พนเพราะเบียดเบียนศัพว์นี้เป็นปัจจัยให้ป่วยไข้ได้ แต่ถ้าหากว่าเรามีประโยค่าสมบัติรู้จักรักษาสุขภาพดียังไงก็ไม่ป่วยครับเรื่องประโยค่านี่เรื่องใหญ่นะครับอนโดยเฉพาะเรื่องเราเรียนเรื่อ ง, อ, งอารมณะปัจจัยนี่นะครับเรายังไม่ต้องไปบอกว่าเราจะต้องเอามีอารมณ์เป็นค่าฐานพยาตนาปฏิจจุบนะันเอาเพียงแต่ว่าเมื่ออารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วนี่นะครับ<ม>เราต้องรู้ว่าอารมณ์นั่นทำ เห็นแล้วได้ยินแล้วเนี่ยจิตเป็นกุศลเรือกกุศลนี่ต่อไปเนี่ยนะแล้วเราจะมีประโยคะเปลี่ยนอารมณ์นะนับว่าบุญนักหนาแล้วถ้ารู้ทียเท่านี้ใช่ถ้าเปลี่ยนอารมณ์สมอถ้าเราไม่อยากฟังตรงนี้เราก็เดินออกเนี่ยเรื่เปลี่ยนอารมณ์กันนะเรื่องที่ไม่สมควรได้ยินก็อย่าไปได้ยินมันชเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนได้จริงๆริงเนี่ยปรื่ประโยชนคะแล้วก็ไม่ขัดกับเรื่องกรรมด้วยนะไม่ขััดครบถ้าเข้าใจเรื่องประโยคะดีจะไม่มีขัดกับเรื่องกรรมเอาไว้ภายหลังให้ถ้าอาจารย์มาว่าเนเรื่องประโยคะโดยเฉพาะเลย วันน <sh arp> ี <Wat> ้เวลาก็หมดแล้วครับงั้นก็ขออนุโมทนาด้วยนะขอให้ท่านทั้งหลายแทงตลอดปัจจัยทุกคนทุกท่านเทอทกานศึกษาพระตรพิดกชุดประธานวันเสาร์ที่ยี่สิบสามเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสองพัน 542สี่อสองวัดพันเตาปัจจัยหมายคำ ว, ว่าผลธรรมต้องพูดถึงผลก่อนผลธรรมตัวผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น โดยที่ไม่ปฏิเสธสิ่งนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าปัจจัยใช่ไหมผลปฏิเสธสิ่งนั้นไม่ได้เลยสิ่งนั้นชื่อว่าปัจจัยนั้นคำว่าปัจจัยนั้นก็คือเป็นสภาวะที่ทำให้ผลธรรมเกิดขึ้นนั่นแหละเช่นอวิชชาโดยอสังขารมีเพราะอาวิชชาเป็น ปัจใจยกตัวอย่างนะดาวเรียนปัจัยธรรมดายกตัวอย่างปฏิจจสมบทงัน่าจะเข้าใจดีเหมือนกัน ย, ยกตัวอย่างว่าผลอันนี้มาจากสังขารนะสังขารตัวนี้องค์ธรรมได้แก่เจตนาเจตนานี่มีอะไรเป็นปัจจัยมีอวิชชา พลธรรมเกิดขึ้นโดยที่ไม่ปฏิเสธว่าเจตนาเกิดขึ้นโดยที่ไม่ปฏิเสธอวิชชาอย่างนี้ชื่อว่าสังขารมีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจนะถามว่าเป็นปั จ, จัยนี่เป็นปัจจัยโดยลักษณะไหนอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารโดยปั จ, จัจอะไร เมื่อบอกว่าอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากวิชาเป็นปัจจัยละถามว่าโดยปัจจัยใดรันเราก็ต้องมาแบ่งสังขารก่อนที่ก่อนที่จะพูดเรื่องปัจจัยสังขารมีสามคือปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอาเนชาพี่สังขารนปุญญาพิสังขารได้แกม่มหากุศลจิตแปด รูปาวจ ร, รกุศลจิตห้าเจตสิกที่ประกอบสามสิบแปดไม่เกินนี้ไม่เกินสามสิบแปดทั้งหมดเลยอาคุณ ญ, ญาที่สังขารองคธรรมได้แก่อกุศลจิตสิบสองเจตสิกที่ประกอบยี่บเจ็ดอเนญชาที่สังขารได้แก่อรูปาวจรกุศลเจตนาเจตสิกที่ประกอบสามสิบสามสิบเท่าไหร่ สามสิบทวนเนาะสามสิบใช่สามสิบเชื่ อ, อาจารย์หน่อยเพราะฉะนั้นถามว่าอาวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารโดยปัใจจัยใดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแบ่งเต็นสาม พออย่างนี้ปุ๊บก็ต้องแบ่งสังขารใหม่ว่าปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขา ร, า เ, าขารเป็นสามอย่างถ้าอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่ปุญญาพิสังขารโดยปัจจัยใดโดยอุปนิสัยปัจจัย นะหนึ่งปะกะตูปะมิสยะปัจใจเพราะไม่รู้อริยาศาสตร์สี่เลยทําบุญนั่นแหละเพราะไม่รู้อริยาศาสตร์สี่เลยทาบุญฉันถามว่าเอ้บุญ น, นะไม่รู้ทําบุญได้เลยมีคนถามอย่างนี้ก็เหมือนกับคนตาบอดเดินถูกทางได้ไหมได้ังนั้นความไม่รู้เขาเดินถูกทางได้เหมือนกัน ฉันในอวิชชาเนี่ยไม่รู้แต่ไม่รู้ในอ ร, ริยสัจเข้าเลยทํากุศลได้ถามว่ากุศลแลจิตเกิดขึ้นมีรู้อวิชชาได้ไหมกุศลแลจิตเกิดขึ้นมีอวิชาาวชาเป็นอารมณ์ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นจึงได้สองปัจจัยหนึ่งปตัตูสองอารัมมณะปัจจัยยกตัวอย่างเช่นคนมีปัญญาพิจารณาวิชชาโดยค ว, วามไม่เที่ยง เป็นทุกเป็นอนาตาก็ยังเชื่อว่ามียวิชาเป็นปัจจัยแต่โดยอารมณปัจจัยฉนั้นถามว่าสังขารมีพระวิชาเป็นปัจจัยเนี่ยนะหลายชาติหลายปัจจัยด้วยกันอย่างตรงนี้เนี่ยสองปัจจัยสมมติยกตัวอย่างเช่นในวิถีที่หนึ่งแมว อ, อันนี้ใหม่อ่าสมมติว่าในชาวนานี้นะ เนอวิชชาหมดเลยในปัญจทาาวารวิถีเป็นอวิชชาเป็นโมหะในมโนทวารวิถีดันเป็นกุศลอย่างเงี้ยมโนทวารหลังๆมานะเาะฉะนั้นถื อ, อว่าอวิชชาในปัญจทวารวิถีเนี่ยตนตัดัยแก่อวิชชาแก่บุญที่เกิดในมโนทวารวิถีเออย่างนี้เรียกว่าปกตูปะนิสยาปจัยนั่นแหละ แตัดใจอันนี้นี่ค่อนข้างจะลึกซึ้งที่ลึกซึ้งเพราะเราต้องไปเข้าใจปัจัยอื่นๆก่อนแล้วจึงจะเข้าใจเรื่องของประตูดีเพ้นคําว่าโดยปัจจัยนี้ที่ขึ้นมาแสดงให้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าเหตุกับผลบางอย่างไม่จําเป็นต้องเหมือนกันลูกเนี้ยนะครับพ่อกับแม่ทําให้มีลูกใ่ไหมถามว่าลูกเนี้ยต้องเป็นหน้าตามเหมือนพ่อแม่ไหมไม่จําเป็นชันดตายพ่อแม่เป็นปัจจัยที่สําคัญแก่ลูก แต่ไม่จําเป็นต้องมีหน้าตาเหมือนกันได้แล้วปัจจัยก็เหมือนกันสิ่งในโลกนี้ความสมเหตุสมผลนั้นมีอยู่หลายในด้วยกันบางอย่างเหตุกับผลเหมือนกันเลยเช่นชาวนาดวงที่หนึ่งกับชาวนะดวงที่สองชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นปัจจัยให้แก่ชาวนาดวงที่สองนี้เหมือนกันไหมอันนี้เหมือนกันเลยทั้งโดยลักษณะและโดยอารมณ์เหมือนกันเหมือนกับแกะแบบมาเลยอ่ะบล็อกอันเดียวเลย ไม่ต่างกันนั่นแหละบางอย่างแล้วเนี่ยชาวนะดวงที่เจ็เป็นปัจจัยให้แตทารมามณะเนี่ยเหตุผลไม่เหมือนกันเลยแต่ก็เชื่อว่าชาวนะดวงที่เจ็ดเป็นปัจจัยแก่ตทารมามณะอ่าเพรา ะ, ะนั้นเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บชาวนะดวงที่หนึ่งกับชาวนะดวงที่สองชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นปัจจัยให้แก่ชาวนะดวงที่สองนี่เหมือนกันไหม อันนี้เหมือนกันเลยทั้งโดยลักษณะและโดยอารมณ์เหมือนกันเหมือน ก, นกับแกะแบบมาเลยอะบล็อกอันเดียวเลยไม่ต่างกันนั่นแหละบางอย่างแล้วเนี่ยชาวนะดวงที่เจ็เป็นปัจจัยให้แตทารมณะเนี่ยเหตุกับผลไม่เหมือนกันเลยแต่ก็ชื่อว่าชาวนะดวงที่เจ็เป็นปัจจัยแก่ตทารมณะอะเพรา ะ, ะนั้นเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บว่าเหตุกับผลบางอย่างไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนี่เราก็มาดูว่า การเป็นปัจจัยของอสังขารธรรมเนี่ยเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยนั้นน่ะมีอยู่ทั้งหมดเก้าชาติเก้าลักษณะด้วยกันต้าลักษณะนั้นในเรื่องอวิชาเป็นปัจจัยแต่สังขารนี้ฝากไว้ก่อนอ น, นาคตเราคงได้เรียนกันเราดะชมนกชมไม้มากไม่จบสักเรื่องเลยนะ หนึ่งโดยชาติของปัจจัยหนึ่งชาติแรกที่เราเอามากล่าวคือสหชาติชาติที่แรกเนี่ยเรามาใช้แต่คําว่าสหชาติเพื่อนก็ทวงมาบอกสหชาติชาติสิสหชาติมันเกิดร่วมกันว่าไงอันนี้สหชาตะเกิดพร้อมกันสหชาติชาติสหชาติเนี่ยเกิดพร้อมกัน ชาติอีกสับหนึ่งก็คือชาติตัวนี้แปลว่ากลุ่มชาติตัวหลังนี่แปลว่ากลุ่มกลุ่มธรรมะกลุ่มปัจจัยและปัจจัยุบันกลุ่มปัจจัยกับผลของปัจจัยที่เกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันมีกี่ปัจจัยทั้งหมดที่เป็นสาชาติชาติสิบห้าปัจจัยสิบห้าปัจจัยนั้นแบ่งออกเป็นสาชาติใหญ่สี่ปัจจัย สหาชาติตารางสี่ปัจจัยสหาชาติชาติเล็กเจ็ดปัจจัยโอ้เก่งมากอะ น, นะมีหน้าเขาเจึงได้จบมานะมังา น, น, นไม่จบง่ายๆแล้วคนอื่นบอกว่ า, าไมเก่งจังกับทอาจารย์สอนปัจจัยเขาก็เต่งอยู่แล้วดิอือันนะ่ะสหาชาติชาตินั้นปัจจัยกับปัจจยโบันมีอยู่ สิปัจจัยลักษณะของเขานะคือ1นามเป็นปัจจัยแก่นามนามนามเป็นปัจจัยแก่นามก็คือจิตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตเจตสิกสองนามเป็นปัจจัยแก่รูปนามเป็นปัจจัยแก่จิตแตชรูปต่อไปนามเป็นปัจจัยแก่นามด้วยแก่รูปด้วยก็คือจิตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตเจตสิกแล้วเป็นปัจจัยแก่จิตแต่เชรูป และกรรมมาชรูปด้วยนะเลยไปหากรรมมาชรูปด้วยในปฏิสนธิการและต่อไปการโนดใหญ่เลยทบทวนอดีตวันเสาร์ที่แล้วนามเป็นปัจจัยแก่นามเป็นปจัจจัยแก่นามด้วยรูปด้วยต่อไปก็รูปเป็นปัจจัยแก่นามรูปเป็นปัจจัยแก่นามได้แก่ ปฏิสนธิหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตและเจตสิกที่ประกอบแล้วสุดท้ายรูปเป็นปัจจัยแก่รูปก็คือหมหาภูต ร, รูปเป็นปัจจัยแก่หมหาภูต ร, รูปและเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปนี่ทบทวนของเก่านะเพราะนั้นลักษณะของสหาชาติชาตินั้นนะ่ะมีอยู่ห้าลักษณะนี้เท่านั้นห้าห้าคำนี้เท่านั้นเอง จำไว้ดีๆนะหนึ่งนามเป็นปัจจัยแก่นามสองนามเป็นปัจจัยแก่รูปสามนามเป็นปัจจัยแก่นามด้วยรูปด้วยสี่รูปเป็นปัจจัยแก่นามห้ารูปเป็นปัจจัยแก่รูปเท่านั้นเองทีนี้ชาติที่สองก็คืออารามณชาติอารามณชาติจิต ย่อมจิตไปยินดีในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์คาว่ายินดีนิทีแปลว่ารู้นั่นเองจิตเข้าไปรู้อะไรสิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์นะังนั้นสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตทุกชนิดเรียกว่าอารมณ์นักปัจจัยดัะนั้นผลของอารมณ์นั้นก็ได้แก่สมมุติว่าอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์หก อารมณ์หกต้องเป็นปัจจัยแก่อะไรถ้าพูดอารมณ์ก็ต้องจิตกับเจตสิกดังนั้นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกอารมณ์ในฐานะเป็นปัจจัยจิตเจตสิกเป็นปัจจยุบันปัจจยุบบันแปลว่าผลของปัจจัยนั่นแหละเป็นผลของปัจจัย ที่นี่เนี่ยก็บอกว่าเหตุกับผลอันนี้ไม่เหมือนกันแน่นอนเลยเหตุกับผลเนี่ยไม่เหมือนกันเลยใช่ไ้มระหว่างสมมุติว่าสีอารมณ์คือสีสีกับจิตเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแน่นอนเพระเหตุกับปัจจัยหรือว่าปัจจัยกับผลของปัจจัยเนี่ยระยะนี่โหแตกต่างกันมากมายมหาศาลสีกับจิตเห็นเนี่ยโหคนลโลกเลยใช่ไหม คนละเรื่องเลยจิตเป็นธรรมชาติที่เข้าไปรู้อารมณ์นั้นผลของปัจจัยนี้ผลของอารมมณปัจจัยได้แก่จิตกับเจรสิกเท่านั้นนั้นตัวปัจจัยได้แก่รูปเสียงเปลนรสโภทพะพระแล้วก็ธรมรมารมณ์ธรรมารมณ์นั้นได้แก่รูปที่เหลือจากอารมณ์ห้าสุขมรูปทั้งหมดนั่นแหละพวกสุขมรูปพวกภาษาทรูป แลวอะไรอีกต่อไปจิตทั้งหมดก็เป็นธรรมารมจิตรู้จิตได้ไหมได้จิตรู้จิตได้อย่างนี้เรียกว่าธรรมารมจิตรู้เวทนาได้ไหมเวทนาก็เป็นธรรมารมั้งเจตสิกทุกดวงเป็นธร <later. S 1> รมารมบัญญัตนี้ก็เป็นธรรมารมสุดท้ายก็นิพพานนิพพานก็เป็นธรรมารมนิพพานก็เป็นปัจจัยแก่จิตแต่นิพพานไม่มีปัจจัยอ่าเนี uh. ่ย นิพพานเป็นปัจจัยแก่จิตโดยความเป็นอารมณะปัจจัยเป็นต้นซึ่งในเรื่องของอารมณ์นั้นเราจะว่าโดยละเอียดครั้งต่อไปแต่ตรงนี้จะพูดคร่าวๆว่าปัจจยุบันได้แก่นามเท่านั้นเองส่วนที่เป็นปัจจัยนั้นอารมณะปัจจัยนั้นแบ่งออกเป็นหนึ่งนามเป็นปัจจัยแก่นามอ่ะ รูปเป็นปัจจัยแก่นามนะฝั่งนี้เป็นปัจจัยฝั่งนี้เป็นปัจจยุบันเช่นนามเป็นปัจจัยแก่นามนามได้แก่ จ, จ, จิตเจตสิกแล้วก็นิพพานสองข้อเป็นนามนิพพานนี่สองข้อเป็นนามเพราะนามำนี่แปลว่าน้อมไปรู้อารมณ์ใช่ไหม จ, จิตเจตสิกเนี่ยน้อมไปรู้อารมณ์ แต่นิพพานเนี่ยน้อมจิตเจตสิกมารู้ตนเป็นนามเมือนกันให้จิตเจตสิกน้อมไปหาตนแต่ถ้าจิตเจตสิกธรรมนานน้อมไปรู้อารมณ์คนละอย่างกันคนละนามเพราะฉะั้นจิตเจตสิกเหล่านี้เนี่ยนามเป็นปัจจัยแก่นามอ่าซึ่งว่าเรายังไม่แบ่งนะว่าจิตเจตจิ ต, จตดวงไหนรู้จิตดวงไหนได้บ้างอย่างเช่น โลภ้าจ so ิตมีโลภ้า so จิตเป็นอารมณ์ก็ได้อย่างเงี้ยเรียกว่านามเป็นปัจจัยแก่นามหรือว่ามหาภูสุระจิตเป็นอารมณ์ของโลภ้าก็ได้อย่างงี้ก็เรียกว่านามเป็นปัจจัยแก่นามหรือว่าเวทนาเป็นปัจจัยแก่จิตเจริญสิกก็ได้อย่างงี้เรียกว่านามเป็นปัจจัยแก่นามเป็นต้นนะซึ่งรายละเอียดจะค่อยๆขยายต่อไปส่วนรูปเป็นปัจจัยแก่นามเนี่ยก็เยอะแล้วเนาะสีก็เป็นปัจจัยแก่จิตเห็นทั้งหมดเลย อันก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของรูปเป็นปัจจัยแก่นามเราต้องขึ้นวิถีจิตขึ้นมาก่อนรักปฏิชนะสันติรณะวัฏทะนะวัฏทะนะชื่อย่อๆเขาเรียกใช้คำว่าวุแล้วก็ชวนะหนึ่งดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงห้าดวง หกดวงเจ็ดดวงแล้วก็ตาาลมานะสองดวงแล้วก็ผวังไปวิธีนี้ทั้งวิธีนะมีอ่ะคือตี ร้างนี่เป็นรูปารม์รูปารมก็คือสีต่างๆนั่นแหละในรูปารมนี้เนี่ยนะถ้าพูดสานวนปัจจัยต้องบอกว่าสีเป็นปัจจัยแก่จากขุวิญญาณสีเป็นปัจจัยแก่สัมปติชนจิตสีเป็นปัจจัยแก่ สันติรณนาจิตสีเป็นปัจจัยแก่โวทัพน้จิตสีเป็นปัจจัยแก่ชวนาจิตสีเป็นปัจจัยแก่ตัทารมนาจิตอตรงนี้เนี่ยเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอายุของรูปและนามด้วยว่านามน้มหนึ่งนาม มีอารอไม่ใช่รูปหนึ่งรูปโดยประมั่นนะหนึ่งรูปมีอายุสิบเจ็ดขณะจิตสามารถเขียนได้เลยว่าหนึ่งสองสามสุดท้ายตรงนี้เนี่ยสิบเจ็ดขณะจิตเจสิบเจ็ดขณะจิตก็นับตั้งแต่หนึ่งอตีตาภวังสองผวังข้าจารณะสามวังคู่ประเฉทะสี่ปัญจทวาราวัชนะห้าจากขู่วิญญาณจิต หกสามปฏิชนะจิตเจดสันติรณจิตแปดโทัพพนาจิตแล้วก็ชาวนาอีกเจ็ดดวงาชาวนะอีกเจ็ดดวงนั้นนับว่าเป็นดวงที่สิบห้าเลยไปสิบห้าแล้วก็ตถารมณะดวงที่หนึ่งเป็นดวงที่สิบหกตถาธรรมณะดวงที่สองถือว่าเป็นดวงที่สิบเจ็ดจิตเกิดดับอย่างนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดดวง เท่ากับรูปเติดดับหนึ่งหนึ่งรูปหนึ่งรูปรูปนี้ถือว่าเป็นละเอียดที่สุดเลยในชั้นของประมรธรรมแล้ในรูปหนึ่งรูปเหล่านี้เนี่ยรูปารมณ์ันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยแกวิถีจิตทั้งวิถีเลยวิถีจิตที่มีรูปเป็นอารมณ์นั้นอะ่ะทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเอาแบบเต็มเลยก็ประมาณ สิบสี่ดวงนะจิตสิบสี่ดวงโดยมีอารมณ์เป็นอารมณ์เดียวกันสีเดียวจิตเข้าไปรู้ตั้งสิบสี่ดวงอันนี้หนึ่งวิถีนะหนึ่งสีโอ้โหใช้จิตเกลืองมากเลยนะหมดจิตตั้งสิบเจ็ดอิบสี่ดวงอะ่ะรู้สีสีเดียวนั่นแหละ เพรในสีหนึ่งสีนั้นอ่ะสีนี้ที่เป็นลักษณะนี้แสดงว่าเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันนักขณะปัจจุบันนี่มีหลายอย่างนะคำว่าปัจจุบันเนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งเรียกว่าปัจจุบันนะอัธานะเพื่อเพื่อความเข้าใจในเรื่องของอันนี้เป็นปัจจุบัน ปัจจุบันมีหลายอย่างหนึ่งปัจจุบันนะอาาัตตาปัจจุบันนะอัตตาเขาท่ากับชาติหรือเท่ากับเป็นพบเป็นชาติอ่ะพูดแบบพบแบบชาติอันนั้นเรียกว่าอาาัตตาเช่นก่อนก่อนปฏิสนธิจิตเนี่ยชาติที่แล้วอ่ะเป็นอดีตอัตชาจุติไปแล้วเนี่ยหลังจากจุติชาตินี้ไปแล้วนี่เรียกว่าอนาคตอาาัตตาเงียบแล้วก็เป็นอนาคตอัตตาแล้วเงียบแล้วเงียบแปล ว, ว่าตาย ต่อไประหว่างตั้งแต่ปฏิสนธิถึงจุติของชาตินี้เรียกว่าปัจจุบันน่ะอัฐานี้สองปัจจุบันนะสันติห้อยปัจจุบันนะสันตตินี่เรื่องมันยาวจริงๆเลยปัจจุบันนะสันติของรูปก่อนของรูปารมณ์เนี่ยปัจจุบันนะสันตติของรูปารมณ์นั้นต้องเอาสมุดฐานของรูปมาจับเช่น กรรมเป็นสมุทฐานจิตเป็นสมุทฐานอุตเป็นสมุทฐานอาหารเป็นสมุทฐานเอาอาหารก่อนชับหนึ่งนะอาหารเป็นสมุทฐานหนึ่งสันตติเช่นเคยเห็นสีหน้าของคนเมาไหมง้อเหล้าเข้าไปแก้วหนึ่งกรึ๊บเข้าไปเนี่ยนะสีหน้ามันเมากี่ชั่วโมงแล้วลนะ่ะถือว่าหนึ่งสันตติของ อาหารสมุนฐานะหรือเคยทานทุเรียนมันร้อนกี่ชั่วโมงดิใช่ไหมเพราะอาหารให้สีหน้าเนี่ยได้เท่าไหร่ได้สีเท่าไหร่นั่นแหละชื่อว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสันติใช่ไหมถ้าถ้าโดยอุตัว โดยอุตุเป็นสมุทรานยกตัวอย่างเช่นเข้ามาในร่มเนี่ยน ะ, ะเราอยู่ในร่มเนี่ยมันเย็นตลอดเลยเย็นขนาดเปิดพัดลมเลยน ะ, อ, ะอากาศเนี่ยอยู่ซึบเนื่องแบบนี้เนี่ยหนึ่งสัน ต, ติไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกแดบดบ น, แบบนี่ก็หนึ่งสันติหรืออยู่ในแดดเนี่ยนานขนาดไหนก็ถือว่าหนึ่งสันตินั่นแหละ จนมาเข้าร่มก็คนละสันติไปและวหรือว่าอุตุภายในอะ่ะอยู่ๆมันเกิดความร้อนขึ้นมากระหายน้ํานะร้อนแบบกระหายน้ําอ่ะพอน ะ, อะจากกระหายน้ำสองชั่วโมงอแบบร้อนเลยพอดื่มน้ำเข้าไปกรึบอเยน็นเลยอันนี้ก็ถือว่าคนละสันติกันนั่นแหละเพฉะนั้นความเย็นที่เกิดจากการดื่มน้ําเข้าไปนี่มันให้ความเย็นได้หนึ่งชั่วโมง ก็ถือว่าหนึ่งสันตตินี่แค่ว่าปัจจุบันและสันตติก่อนนั้นเป็นอดีตหลังนั้นเป็นอนาคตถ้าจิตอ่ะใครไม่เคยโกรธบัางยกมงี้นไม่จะหาคนมีบุญจะได้นุมโมทนาได้อ่คนไม่โกรธเพคนมีบุญเนาะเขาบุญเขาเกิดเขาจึงไม่โกรธอ่านะขณะที่สมมติว่าโทสะจิต เกิดขึ้นถูกดานะ่าหน้าดําหน้าแดงอะ่ะสีหน้าแบบโกรธเกิดหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าหนึ่งสันตติเหมือนกันนะถ้าถูกเข้าชมแล้วนั่งพองอยู่ชั่วโมงหนึ่งไอ้สีหน้าถูกชมชัพองชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าหนึ่งสันตติหนึ่งสันต ต, หนน ต, ติหรือว่ามหากุศลจิตเกิดขึ้นหนึ่งชั่วโมงเลยเนะโหเรียนธรรมะกุศลจิตเกิดหนึ่งชั่วโมงเลยอย่างนี้ก็เชื่อว่าหนึ่งสันตติด้วย จิตเพราะจิตมีหลายชาติส่วนกรรมเนี่ยที่จริงมันสัน ต, ติเดียวตั้งแต่เกิดจนถึงตายมันหนึ่งสัน ต, ติเท่านั้นแหละกรรมาชรูปนะั้นมีสัน ต, ติเดียวถ้า แ, แบ่งสัน ต, ติก็แบ่งเป็นสองชาติละท่านจะวินิจฉัยสัน ต, ติกรรมนั้นต้องเอาจิตแต่ชรูปมาวิฉัยเอาอุตตุชรูปเอ า, อาหารชรูปมาเป็นเครื่องพิจารณาเพรา ะ, ะเพราะตัวเขาเองเนี่ยจริงๆเขาสัน ต, ติตั้งแต่เกิด จนตายเลยตัวกรรมอ่ะนะเพราะฉะนั้นเขาถือว่าหนึ่งสันตติเดียวมันซืบเนื่องกันเหมือนกระแสน้ําที่มันไหลตัง้งแต่เกิดยันตายเลยเพราะฉะนั้นเราจะรู้ในเรื่องสันตติก็ด้วยพิจารณาขณะที่อาหารชรุปหนึ่งสันตติในขณะที่มีอาหารชรูปมีกรรมชรูปด้วยไหมมีนั้นในขณะที่อุตุชรูปเกิดขึ้นมีกรรมชรูปด้วยไหมมีในขณะที่จิตตะชรูปเกิดขึ้นก็มี กรรมชรูปด้วยเพราะฉะนั้นจิตอุตุอาหารเป็นเครื่องพิจารณากรรมชรื้รูนั่นแหละนี่เขาเรียกว่าปัจจุบันปัจจุบันนะสันติปัจจุบันนะสันติทีนี้สามปัจจุบันนะสมัยปัจจุบันนสมัยเราเรียนช่วงบ่ายเนี่ยก็ถือว่าหนึ่งสมัยเรียนช่วงเย็นก็ถือว่าหนึ่งสมัย เช่นช่วงเช้าช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่าช่วงหัวค่าช่วงดึกช่วงใกล้รุ่งช่วงรุ่งช่วงเช้าช่วงสายอะไรเงี้ยถ้าสมัยนี้เรียกว่าเป็นแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงนี้เรียกว่าโดยสมัยชั่วโมงนี้เป็นปัจจุบันก่อนชั่วโมงนั้นเป็นอดีตหลังชั่วโมงนั้นเป็นอนาคตนั่นแหละเรียกว่าโดยสมัยอ่าสุดท้าย โดยขณะโดยขณะนั้นที่ประสงค์เอาตรงนี้นะในวิถีภาพที่เขียนเนี่ยเอาโดยขณะโดยขณะนั้นมีอยู่ช่วงต้นเลยเรียกว่าอุ ป, ปาทัคขณะอัะนนั้นช่วงต้นเลยช่วงสุดท้ายจิตเรียกว่าพังคะขณนะ ที่เหลือตั้งแต่อุปาท่าเนี่ยเป็นที่เรียกว่าทีติขณะตั้งแต่ตรงนี้มาเลยเนี่ยเป็นต้นไปเรียกว่าทีติขณะเพราะฉะนั้นถ้าโดยอนุขณะใหญ่จิตโดยขนาใหญ่มีสิบเจ็ดขณะจิตเท่ากับรูปหนึ่งขณะรูปะนะก็พูดง่ายๆมีชายอยู่คนหนึ่ง แต่มีชีวิตแกเกิดคนเดียวนะคนอื่นตายเกิดสิบ็ดครั้งอะ่ะแกตายเพิ่งตายอย่างเงี้ยนะจิตอันนี้ก็เหมือนกันรูปอันนี้เนี่ยหนึ่งรูปอะ่ะจิตเกิดดับตั้งสิบเจ็ดขณะจิตนะก็เหมือนบางคนนะคนบางคนเนี่ยยอมเกิดอยู่ชาติเดียวนะแต่คนอื่นเกิดมาหลายชาติอะ่ะสมมติพวกเราเนี่ยหนึ่งคนยุงเกิดตายกี่ชาติจริงจะเท่ากับอายุเรา ยุงเกิดใตกี่ชาติโยนเท่าจึงจะเท่ า, ทาอายุพวกเราโอ้มนับไม่ไหวเลยเนาะนั่นแหละจิตก็เหมือนกันในคล้ายกันแม้แต่จิตเองยังมาแบ่งเป็นย่อยเลยนะแบ่งเป็นอุปาทะถีติพังคะตัวจิตหนึ่งดวงแบ่งออกเป็นขนาดย่อยคืออุปาทะทิีติและก็พังคะเพราะฉะนั้นสิบเจ็ดคูณสาม เท่ากับห้าสิบเอ็ดขณะทีติขณะเอ้ยไม่ใช่อุปาทขณาของรูปกับของนามมีอายุเท่ากันทางค่าขณะของรูปกับของนามมีอายุเท่ากั น, ก น, มมกนแต่ทีติขณะของรูปมีอายุเท่าไหร่สี่สิบเก้าใช่ไหมเอาออกไปสองก็เลยเหลือสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าขณะ อันนี้เป็นความรู้ในเรื่องของวิถีด้วยความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่น่าสนใจเพราะเราจะได้เรียนเรื่องอารมมณชาติก็มีความสําคัญอานันตรชาติก็มีความสําคัญเหมือนกันในการเรียนรู้เรื่องอารมณ์เหล่านี้เพราะในจิตเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นโดยมีรูปเป็นอารมมณปัจจัยโดยมีรูปเป็นอารมณปัจจัยทั้ง ตั้งแต่ปัญจทวาราวัชนาจิตจนถึงตะทารมณ์จิตมีอารมณ์เดียวเท่านั้นคือรูปอารมณ์ในช่วงแป๊บเดียวนั่นแหะ น, นะช่วงแบบสั้นๆเลยถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปเป็นปัจจัยแก่นามถามว่าจิตเหล่านี้รู้อารมณ์พวกนี้ใช่ไหมรู้สีเป็นอารมณ์ถามว่า จิตรู้อารมณ์อย่างเดียวเจตสิกรู้ไหมเจตสิกก็เป็นนามรู้อารมณ์มันบอกว่ารูปนี้เป็นปัจจัยแก่จิตและสัมปยุตตธรรมสัมปยุตตธรรมแปลว่าธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตก็ได้แก่เจตสิกอันรูปอันนี้เป็นปัจจัยแก่ทั้งจิตและเจตสิกอันถ้าจะเขียนให้เต็มก็ยกเช่นยกตัวอย่างชาวนะมาดวงหนึง่งก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยในนั้นนะนะ อย่างเงี้ยเอากี่ดวงก็ว่าไปท่านรูปนี้เป็นปัจจัยแก่ทั้งจิตและเจตสิกอย่างนี้ชื่อว่าอารามณปัจจัยอารามณะปัจจั ย, น, จจยนี้เรียกว่าเป็นปัจจุบันอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าปัจจุบันอารมณ์ไม่ทราบ ใครอยากเพิ่มเติมอะไรตรงนี้ไหอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหมตรงนี้ตะพวงอตีตระพวงพวังขจารณะภวังภูปัจเฉทะมีอารมณ์คือกรรมมะอารมณ์มีอารมณ์ตังหากเลยนะสามดวงนี้มีอารมณ์ต่างหากคือกรรมหรือกรรมนิมิตหรือคตินิมิตเท่านั้นไม่ไม่ไม อันนี้เป็นอารมณ์เดียวกันกับเมื่อชาติที่แล้วตอนใกล้จะจุติภวังขจิตอันนี้นะแล้วก็อารมณ์นี้เป็นอารมณ์ใหม่สมมติถ้าหาว่าเรามาจะมองเห็นแก้วน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าแก้วน้ำเนี่ยเรยว่าโดยค่าที่เป็นปรมัจิตจริงๆคือสีอ่ก่อนที่จะเห็นเนี่ยผวังขจิตที่เป็นอดีตแล้วก็ผวังขจิตไหว และผวังขจิตที่ตัดกระแสภวังก่อนเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามว่าทําไมเราจึงมารู้อารมณ์ได้ก่อนหน้านั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ผวังก่อนที่จะคลพิปตาเห็นเนี่ยนะผวังขจิตเกิดก่อนแล้วจิตจึงจะเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์ใหม่ทางตานะภวังขจิตจะเกิดก่อนภวังขจิตนั้นก็คือดวงเดียวกันกับที่เราเรียนเมื่อเช้าใช่ไหมถ้าเป็นของพวกเราก็มาจากาจากไหน มาจากบุญเนอะบุญทำให้เกิดนะจิตพวกนี้จึงเป็นจิตชาติวิบากชาติวิบากซึ่งเป็นผลของบุญที่ทำมาแล้วเพราะถ้าเรารู้จิตดวงนี้เท่ากับเรารู้จิตในตอนปฏิสนธิด้วยไม่ต่างกันจิตนำเกิดกับจิตขณะ น, นี้ไม่ต่างกันแล้วถามว่าถ้าจุติิจิตของเราจะเป็นยังไงก็เหมือนใหญ่ดวงนี้แล่แหละเพราะชนิดเดียวกัน ถ้าใครปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งวังขจิตอันนี้ก็ต้องมหาวิบากดวงที่หนึ่งตอนเงื้ไปเฮ้ยก็เป็นดวงที่หนึ่งเหมือนกันตอนจุติจิตก็ดวงที่หนึ่งด้วยอ่าเมื่อยี่สิบยี่สิบแปดปีที่แล้วเรามาเกิดมาันนะเกิดเกิดนักอายุห้าิพอแล้วตายท้านะนะ ห้าสิบก็ตายได้แล้วใช่ไหมไอปฏิสนธิจิตอ่ะเมื่อห้าสิบยี่อ่ะยี่แปดปีที่แล้วก็อันนี้แหละชนิดเดียวกันอีกห้าสิบปีมันจะเงืบแล้วเนี่ยก็ไอดวงเดียวกันอีกนั่นแหละการรับอารู้รู้อารมณ์ทั้งเก่าและใหม่จิตดวงใดที่รับอารมณ์เดียวกันกับจิตก่อนตายจิตดวงนั้นเรียกว่าภวังคจิตหรือปฏิสนธิจิตหรือจุติจิต ส่วนจิตที่มารับรู้อารมณ์ใหม่ๆเช่นเพิ่งมาเห็นหน้าคุณนิลาวันนี่เเรียกว่ารู้อารมณ์ใหม่ไม่ใช่อารมณ์มันเดียวกับเมื่อตายนั่นแหละเรียกอารมณ์ใหม่งันขนาดไหนที่ไม่ไม่เห็นคุณนิลาวันขนะนั้นก็เข้าผวังไปเรารู้อารมณ์เก่าใช่ัหมอื่นๆก็เหมือนกันทั้งหูก็เหมือนกันนั่นแหละจิตของชาตินี้ผวังขจิตของชาตินี้จุติจิตของชาตินี้อารมณ์เดียวกัน แต่ถ้าจุติจิตของชาติที่แล้วก็เป็นปฏิสนธิของแบบชาติที่แล้วอ่ะนะเอาใหม่ถ้าเข้าใจตรงนี้จะเข้าใจหมดเลยปฏิสนธิของชาตินี้ดวงใดผวังขจิตของชาตินี้ก็ดวงนั้นแต่คนละขณะผวังขจิตชาตินี้ดวงใดจุติจิตก็ดวงนั้นปรับปฏิปฏิสนธิใหม่ละอ่าปฏิสนธิใหม่ ปฏิสนธินี้ก็มาจากคนละกรรมกันปฏิสนธิอันนี้ก็มาจากคนลกรรมกันอ่าคนลกรรมแต่จุติตรงนี้เนี่ยเป็นอนันตระปัจจัยให้อันนี้เกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้ให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นจุติจิตเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิแต่คละอารมณ์นะจุติกับปฏิสนธิระหว่างคลภพเนี่ย อ่าสมมติตรงนี้เป็นจุติจิตนะนี้คนละพบด้วยอันนี้คนละอารมณ์กับดวงนี้อันถ้าปฏิสนธิอันนี้ภวังจุติอันนี้สามตัวนี้มีอารมณ์เดียวกันในชาติเดียวกั น, น, กนมีอารมณ์เดียวกันอ๋อเมื่อกี้เนี่ยกล่าวถึงว่า อารมณ์ใกล้ตายไม่ใช่จุติจิตนะจุติจิตเป็นจิตตายวิธีจิตใกล้ตายอ่ะก่อนตายอ่ะห้าดวงนั้นอ่ะเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตต่อไปสมมุติว่าชาวนาตรงนี้เนี่ยของน้ำมาเนี่ยจะตายแล้วก่อนจะตายมีใครเอาดอกบัวมาให้ดูเออนี่บอกบัวบูชาพระนะมาก็ดูดอกบัวเบล็จแล้วจุติเลยเออมองจุติเห็นดอกบัวแล้วเนะี่ยจุติจิตเลยปุ๊บ ปฏิสนธิก็เกิดขึ้นปฏิสนธิอันนี้มีดอกบัวเป็นอารมณ์นะหก่อนตายย่าเข้าดอกไม้มาให้ดูนี่นะดอกไม้นี้บูช า, าพระนะเราก็ดูดอกไม้แล้วจุติเลยอะปฏิสนธิในพบใหม่มีดอกบัวนั้นเป็นอารมณ์ตลอดชาติขณะที่ปฏิสนธิพวังและจุตจิเดียวกันกับปฏิสนธิตั้งแต่เกิดโน้นไปไม่แน่ทํามาเยอะเถลือเกิน ต้องไปเข้าใจาเรื่องกรรมอีกครั้งกรรมบางอย่างป